ผมตาก็มาไดอยู่หลายวันไปที่ไหนก็มีคนคนเราก็มีกายมีใจปัญหาอันเดียวกันปัญญาก็อันเดียวกันจึงเป็นสากลในหลกชีวิตของเราเนี่ กันเพื่อนกันเถอะพวกเรากันระยอนนามิตรให้มีตามีเลนล่องลอยของการปฏิบัติโดยใจของเราร้อยผิดร้อยถูกของเราโดยแจ้อันที่ผิดให้เหมือนถูกแล้วก็ยังเป็นลอยอยู่โดยแจ้ความทุกข์ให้ไปความไม่ทุกข์ เป็นล่องรอยอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้มันดีเนี่ยนันไม่ลบมาเดือนไปไหนมันเป็นสิ่งสนับสนุนให้เราได้ก้าล่วงไปเรื่อยๆไปอย่างที่เราไปเห็นล่องลอยลพระพุทธเจ้า อยู่แถวพุทธคยางั้นเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นล่องลอยมันก็ชื่นใจแล้มานอนอยู่วัดไทยพุทธคยากอให่หางไกลกันนอนเตนขึ้นมาคิดถึงต้นสีมหาโพธิ์ แล้วก็เดินไปเที่ยงคืนล้วก็มีไปสว่างคนก็มีอยู่เต็มอยู่ไปก็ไปเดินจมกคมอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็เป็นภาพยังมีล่องลอยแม่พระเจ้าวัดนี่ผ่านไปแล้วตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปี ดังมีไออุน่นเพราะเราก็สัมผัสคำสอนพทธเจ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เรามีความรู้เราก็สัมผัสความรู้ส่งเหนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์โดยเชิตะวันไปโดยเชิตะวันเช็นคันตต ก, กุติของพทธเจ้า เห็นบ่น้ำเห็นน้ำเห็นบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าสงเห็นร่องรอยของพระอนุนที่ตักน้ำให้พระพุทธเจ้าสงเห็นกติโมคลาสาลีบุทเห็นกติ มาก็จะปะเห็นกะที่หลายหลายลูกทางเดินไปเดินมามหเหมือนก่าเราอยู่ใกล้ๆพุทธเจ้าเราไปอยู่แถววิชิตปัตนะ ไปนอนอยู่วัดไทยแล้วก็มาเดินลอกสัถูกที่พระเจ้าทรงแสดงทำโปดปัญจัวชีแล้วก็ไปเดินอยู่ที่คันท ก, กุฏิที่พระเจ้าแสดงทำโปดย่ญญาสาวกนบุตร มันก็ยังมีไออุ่นเหมือนกับมีไออุ่นเราไปเชียงใหม่เราเคยไปอยู่วัดอมง้าไปดูล่องรอยปรากฏของเราที่เป็นภาพความดีของเราไปดูพุทธบรต่างฐภาพจังหวัดลำพูน เห็นล่องรอยปรากฏของเราเขาก็ชื่นใจอันทำดีนี่ทำไปเถอะได้ไปเห็นล่องรอยแห่งความชั่วงม่จะเศร้าใจขนาดไหนอย่าให้มีเถอะพวกเรารักษาธรรมวินัยรักษาอ่าพระธรรมกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันไปดูพุทธยาน ก็เคยอยู่กับหลวงพ่อเทียนเหมือนเกิดได้เยินเสียงเดินจงกรมหลวงพ่อเทียนเกติของเพื่อนเกติของเราที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็เป็นภาพที่ดีเพราะฉะนั้นน่ยปฏิบัติธรรมมันไม่หนีไม่เลือนไปไหนอ น, นหอนบันทึกไม่ลู้อจากลืม เราจึงทำเอาไว้อย่าเกียจข้านอย่ามักง่ายมันถูกต้องแล้วให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยกายเราก็มีอยู่นี่ใจเราก็มีอยู่นี่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่นี่แ่้มีความหลงเกิดขึ้นก็ไม่ยาก เปลี่ยนหลงเป็นลู้ง่ายๆกัวที่จะไปหลงเปลี่ยนลูกเป็นหลงมันยากเปลี่ยนหลงเป็นลูกเนี่ยมันง่ายๆมันถูกต้องชอบทำที่สุดเป็นการตัดสินใจแน่วแน่จึงเพียรพยายามมีสติแต่ถานที่เราอยู่ ก็มีอยู่จริงแล้วก็มีเพื่อนจริงไม่ใช่เราคนเดียวที่อยู่ที่จริงที่เราที่นอนก็มีอยู่จริงแล้วก็มีปัญหาอะไรก็บอกกันได้จริงจริงช่วยกันได้จริงจริงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันตามความสามารถของเราจริงจริง เห็นหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้ถามก็อุ่นใจไม่ได้สอนอะไรก็อุ่นใจถ้าเห็นเพื่อนเราเดินจงกรมเห็นเพื่อนเรานั่งเจริญสติก็อุ่นใจแล้วเราได้สมผัสอะไรที่มันเป็นสัญญาของเขาเขาจะได้รู้เองจะได้หลงเองจะได้เปลี่ยนเราเองทําดีเองแล้วความช่วเอง ถ้าหากว่ายกมือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนานเขาก็รับความชั่วเขาทำความดีจิตก็บริสุทธิ์แล้วนั้นเราหัดลูกหัดหลานให้ทำงานทำการถ้าเขาทำงานที่เราสอน ก็มีโอกาสที่จะรู้ได้บางทีเราสอนหนังสือถ้าเห็นเด็กมันนั่งเขียนหนังสือเวลามันเขียนผิดเวลามันอ่านผิดมันถือหนังสือมาถามพวกเรามันก็ชื่นใจแม้บางทีเห็นนักปฏิบัติมาถามมันก็ชื่นใจแม่เป็นความหลงของเขาก็ชื่นใจเพราะ มันก็เห็นจริงๆความหลงความทุกข์ไม่ใช่เป็นความเสียหายเราจะได้สอนเราจะได้บอกเราของจิงมาพูดก่อนนั้นผิดเขาก็พูดให้เราฟังมันถูกเขาพูดให้เราฟังแล้วก็ให้เขาดูแล้วก็ได้บทเรียนไปทีนี้ให้เราเกิดกับเราเนี่ย เราไม่ต้องไปถามใครแล้วก็พร้อมอยู่แล้วที่จะต้องเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เปลี่ยนทุกเป็นรูปได้เปลี่ยนอะไรเป็นสภาวะที่รูได้นี่มันก็ไม่ใช่งงมงมมสาวสาวมันก็เป็นล่องลอยเห็นอยู่กบเห็นอยู่ไม่ใช่งงม เห็นอยู่ลุกเบอสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะก็เห็นอยู่มือก็มีจริงเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวจริงแลู้กจริงจริงมันหลงก็หลงจริงจริงเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็เปลี่ยนจริงๆริงสภาพที่หลงแล้วก็สัมผัสสภาพที่ลูกก็สัมผัสทั้งสองอย่าง อันันก็เป็นคู่กันอยู่การสัมผัสนี่เป็นเป็นการบรรยายไปในตัวเป็นการแสดงไปในตัวเช่นวันหนึ่งไปนำพูลไปวัดจอมทองไม่มีบูสัวเขา ขอบูชัวแล้วก็เชียนหน่ยว่านิพพางไปนิพพานก็มีอยู่จริงนิพพานก็มีอยู่จริงมีผู้ไปนิพพานก็ไปได้จริงเห็นจริงแล้วมีคำถามว่า ถ้าเราไปนิพพานเราจะจะเห็นนิพพานเป็นไงอธิบายได้ไหมอยากฟังในหนังสือเขามีคคำถามแบบนั้นแล้วก็อยอดโจมก็ถามเราอธิบายได้ไหมถ้าอธิบายเราจะอธิบายยังไง อธิบายแบบพิษเห็นน่ะนั่นก็ไม่ถูกถ้าอธิบายแบบพบเห็นน่ะมันก็ไม่มีคําพูดอะไรนั้นก็ลอธิบายความเข็มของเกลือแต่ก่อนเราไม่เคยได้เคมเกลือมันเค็มอย่างไง นี่คนมาถามว่าันเข็มคำเข็มเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยบางทีมันก็อธิบายไม่ได้คำว่าเข็มเนี่ยถ้าคนพูดได้เขมดูหรอโอเข็มไปอย่างนี้แล้วก็เขาก็บอกคนอื่นไม่ได้เหมือนกันเป็นการสัมผัสปัจจจตังเอาของจริงไม่ใช่ของอธิบาย ถ้าของใดอธิบายอาจจะไม่ใช่ของกิงเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมาจิตจะหรือสุขหรือทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องอธิบายให้เป็นการสอมบัตรไม่ก็ไม่ต้องมีคำถามคนอื่นถามก็ตอบไม่ได้แล้วก็ ตอบพอตอบพอเองเป็นภาษาไม่มีคำพูดเหมือนกับสำนักของอาจารย์สำนักห่งสอนลูกศิษย์เวลาสอนก็มาประเมินดูเมื่อเราไปสอนธรรมที่เชียงใหม่พบกวาหนดที่จอดลอย ก็มาประเมินแ็มีพูดกันเป็นคำพูดว่าเราอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันต่างคนก็พูดไปเป็นยังไงไปยังไงแล้วาไปสอนเมืองกินก็มีการพูดกันกีส่สิบแปดชิบคนเ้าก็พูดออกมาจากสภาะัรรมที่เกิดกับเขา อานพูดออกมาแบบประเมินที่เป็นภาษานั่นมันก็เป็นของเขาเกิดเป็นพูดก็เลยให้ลูกศิษย์พูดออกมาดูลูกศิษย์บางคนก็รู้นั่นรู้นี้อะไที่บ่ายเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา อธิบายเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะอธิบายเรื่องรูปธรรมนามธรรมอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยที่มันเกิดภพเกิดชาติอธิบายเป็นเรื่องมรรเรื่องผลแฝงอาจารย์ก็ฟังมีลูกศิษย์คนหนึ่ง ไม่มีใครพูดแล้วก็ยกมือขึ้นอาจารย์เลยถามให้อธิบายดูเมื่อผลนิพพานมันเป็นอธิบายดูปฏิบัติไม่มีผลอย่างไรลุกศิษยคน้ก็ยืนขึ้นนะั่งยืนขึ้นเอามือจบับยืนตรงอยู่ไม่พูดเลยสักคง แล้วก็วยกบือวก็นั่งลงอาจา์สรรเสริญบุคคลคนนี้ถ้าคนเนี้ได้บรรลุธรรมแต่ไม่พูดอะไรก็เลยจะพูดก็พูดจะพูดก็พูดเอา ก็ดูแข็งไปบางคนก็ได้ขนแข็งไปบางคนก็ได้ผิวหนังบางคนก็ได้หนังบางคนก็ได้เอ็นได้เนื้อบางคนก็ได้อะไรไปส่วนคนที่ยืนขึ้นไม่พูดเนี่ยก็เราว่าอาจจะได้กระดูกแขนไป การเข้าถึงเกณฑ์แท้ของธรรมอาจจะต่างกันแต่นั้นสิ่งที่มันมพูดไม่ได้ไม่ใช่ภาษาพูดอย่างนู้นต่างพยายามที่จะเป็นภาษาเอามาพูดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่คาอธิบายนั่นเป็นคำที่ ไม่ใช่คาพูดอธิบายไปไม่ได้ันเราเป็นภาษาที่ที่ไม่มีคำอธิบายเรียกว่าไม่เป็นอะไระนั่นเอยจากที่มันเป็นมาเป็นจุขเป็นทุกข์เป็นรูปเป็นห ล, ลง ล้วก็พูดได้เช่นสุกเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนอหน้าของเราเหมือนมีผลผิวใส่อยู่ใช่ไหมนน้ำลายก็อิ่มไม่อธิบายได้ไม่รู้จักหิวสุกใช่ไหมเคยคืินน้ำลายอิ่มไหมไม่ต้องกินข้าว เป็น้ำลายตัวเองก็อี่มเหมือนกับเราเราอ้อนมีละ อ, องฝนปลิวมาเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวอ่าวงตะเข้ไหมดางตะเข้เคยไปเที่ยไวก ไ, กย ไ, ไหมจังหวัดนครนายก นวนไปฉันเทนแล้วอันก็รอนเออเข้าไปนั่นนะ่ะเขาทำอะไรเขาทำไอฝนไอฝนเปิดน้ำขึ้นหลังคาลงอาหารหน้ำที่ไหลลงหลังคามันก็ย้อยลงมาเป็นรางน้ำไหลตกลงมามันก็ปิ้วใส่ พวกเราฉันอาหารอยู่ในลานนันเย็นมันร้อนทีแรกพอเขาทำให้มันเย็นมันมีละอองน้ำที่มันปิว้วเข้ามาเรากนวะอมร้อนก็หายไปรวามเย็นช่องเปิดขึ้นนั่นเป็นสภาพอันหน่งแต่นั่นเป็นอาศัยเหตุปัจจัย เดี๋ยวว่านิพนนี่แหละมิตรสุขสุขเพอมิตรแต่อารมิตรสุขสุขพราะ อ, อีกอ า, ามิตรนี่แหละมิตรสุขสุขเพราะต้องอกอามิตรเกินน้ำลายอิม่มเนี่ยมีไหมคิดด้วยเกิดน้ <c oughs> นนำลายเกินหลายตัวเองอิม่มเหมือนกับไม่มีเหงื่อแห้งชีวิตเราชุ่มชื้น ขนาดที่มันเป็นอยู่หลวงพ่อเทียนดูอะไรก็ไม่รู้อาจจะสังเกตเราเวลากินข้าวหลวงพ่อเทียนก็ก็ัยนะก็มือจับบาจับข้าวชีม อาหารในท้วยไม่ต้องเจอเป็นอะไรก็ช่างก็เี่ม่กินไม่รู้อะไรขี้เกียจไปไปท้วยอื่นเอาถ้วยเนี่ยกิยนข้าวอะลรก็แช่ไปหมดเลยก็ปเปลเปก็แช่ไปหมดเลยคำว่าแม่นเ น, น, น, น, นี่้น้ำลายเกินน้ำลายก็แช่อยู่แล้วนี่เราพ่อเทียนว่ามันเป็น มิปัจฉนโนแบบนั้อย่าไปหลงมันแท่เพเอาเป็นเราอุตสาห์ปฏิบัติมาได้เกิดความสุขก็เสียดายโอ้ยไม่เอาสุขยางไงชีวิตเราไม่เคยมีสภาพแบบนี้เลยไม่ต้องอย่าไปหลงกบโคกกบโคก ไม่เคยเจอหนองน้ําตัวมาเจอน้ำลอยหัวลอยควายนิดหน่อยก็ก็ไม่ไปอีกแล้วดังนอนอยู่ในน้ํำลอยหัวลอยควายนิดหน่อยดูหรือไม่ว่าน้าเบิงน้ําหนองมันใหญ่กว่านี้ยังมีอยู่ยามมาหลงหน้ำลอยหัวลอยควายมันจะไม่ทำความเพียนไม่ได้ เหมือนกับกบมันตะเกียบตะ ก, กายมามาเจอน้ำลอยควยนิดหน่อยก็ไม่ไปอีกแล้วเราก็เป็นคนที่ทุกขี่ยากใช่ไหมมาเจอความสุข แ, แ, ลแล้วเอาเทียนเลยแข่ลองอาเทียนไม่เอาเสียดายเมื่อมามาดูตัวกบคุกจริงๆอะใช่ไหมตะเกียตกตะกายมาไม่เคยมีความสุขมีแต่ทุกข์ ว่เกิดจนนี้ขึ้มผมกับโคใจชื่นใจอิ่มใจสุขใจไม่ใช่เอาจนว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็จบธรรมะเขาก็ถามว่าถ้าเห็นนิพพานจะเป็นยังไงแล้วก็มีคาอธิบายนั่นเป็นปัจจัตตังเวชิตภูโยเฮติ แน่นอนปฏิบัติธรรมเนี่ยจเจริญสติเนี่ยมันมีทางอยู่นี่แหละทางทางไปนิพพานก็มีอยู่นี่แหละคือทางถ้ารู้อยู่ก็เหยียบเส้นทางแล้วถ้าเห็นถ้าดูดูอยู่ตัวดูตัวรู้สึกตัวนี่เป็นภาวะที่ดูนะอันเราสร้างรู้สึกตัวรู้ตัวเนี่ย ว่าทำไปทำไปไมัจะเป็นภาวะที่ดูอย่างโตแล้ว เ, เห็นกายใช่ไหมเห็นกายที่ทําไหมก็รู้ไหมรู้มืออยู่ไหนมืออยู่วบนยนเขา่ารู้ไหมว่ามือชื่อไหนรู้ตะแชงมือข้างขวตั้งรู้ไหมรู้ยกขึ้นรู้ไหมรู้วางลงรู้คว่ำลงรู้รู้ ว่าดูสัมป็นธ์ไปมันจะดูมันจะดูมันจะดูตาในไปดูดูตัวเห็นเห็นดูแล้วเห็นเนี่ยมักเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้เห็นผิดมาดูมันเห็นแล้วอันเห็นผิดนั่นเมันเป็นภาวะที่ดูแล้วมันเป็นภาวะที่ดูแล้วเห็นถูกเห็นสุกเห็นทุก เป็นภาวะที่เราเรานั่งหา ม, มักถ้าเห็นเราก็หลุดพ้นเห็นสุข ก, ก็พ้นจากสุขเห็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์เห็นหลงก็พ้นจากหลงเห็นมันรู้พ้นจากความรู้อดีก็รู้ตกหล่งความรู้เป็นผู้รู้ตแหล่งความสุขเป็นผู้สุขไม่ใช่ไม่ใช่องมรรคมคือมันดูมันเห็นมันผ่านเหมือน เหมือนทางเหมือนคนเดินทางมันผ่านไม่ตันถ้าเป็นเรามันตันผู้สุขเป็นผู้สุขตันแล้วไปเมื่ไรผู้ทุกข์เป็นผู้ทุกข์ตันแล้วผิดเป็นผู้ผิดได้เป็นผู้ได้เสียเป็นผู้เสียไม่ใช่เราตันเราตันอยู่กับได้ตันอยู่กับเสียตันอยู่กับสุขตันอยู่กับทุกข์ถ้าเห็นเราอันนั้นแหละออกมากเรา มักคือเห็นมักคือดูเห็นแล้วไม่เป็นชรางมาไปอีกนั่นแหละผ่านแล้วพ้นไปแล้วดีมุดแล้วเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกคนแล้วได้บอกดีมุดแล้วเกิดขึ้นแล้วในตัวทันทีแล้วในตัวทันทีเห็นนี่ยเห็นแล้วไม่เป็นไมันก็เริ่มไปตั้งแต่ที่แรกแล้ว ยังบอกเป็นภาษาบอกว่ามันหลงเห็นมันหลงมันลู้เห็นมันลู้มันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกนั่นแหละนั่นแหละปฏิบัติอันความเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เสียหายนี่เรามาเห็นมันผิดเป็นผู้ผิด เสียเรานั้นถูกเป็นผู้ถูกเสียเราไม่ใช่สติแล้วนั้นผิดเห็นมันผิดนั่นแหละสตินั้นถูกเห็นมันถูกนั่นแหละสติแต่ว่าที่เห็นเนี่ไม่กระทบกระเทือนกับอะไเหนือเหนือไม่เพื่อนมันสุขเห็มันสุขไม่เพื่อนกับความสุขทุกข์เห็มันทุกข์ไม่เพื่อนกับความทุกข์ มันผิดเห็นมันผิดไม่เพื่อนกับเพื่ผิดเนี <domination> ่ยปฏิบัติทรมันเป็นเนี่ยจิงเดียวว่ามั่นใจผู้สอก็มั่นใจผู้ปฏิบัติก็มั่นใจตรงนี้มากที่สุดเจ้าเจ้าชันงฉลาเห็นกาย ยึดเป็นแคู่ดร่ากายสุภากายไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาก็จักเเวทนาไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาง่ายๆนี่ยนจริงที่เราทำนี่เป็นโกดเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลจริงๆเนื้อธรรมในนี้มันมีมรรคเป็นผลไม่เชื่ เสี่ยงไม่ใช่เหมือนทำนาทำไรทำนายังเสี่ยงแล้วก็เสียท่วมก็เสียเหมอนปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรเสียงเลยนะจึงชัดเจนแม่นยำผลสอนก็ก็สบายคนผู้ปฏิบัติศึกษาก็สบายไม่มี อะไรที่จะไม่ปัดท่วงกันได้เลยอั น, นอื่นก็ยังปัดท่วงกันล้มน้านปัดท่วงวนันสถารบางวันศึนนกษาก็ปัท่วงแต่ว่าการปฏิบัติจะปัดท่วงใครมันเป็นปจัจจจตังของใครของมันถ้าผิดถ้เห็นมันผิดชัดเราไปปัดท่วงกัน กระทุ่งความผิดเหรอมันก็ดับเปิ้นเหรอมันตุ๊บมันตุ๊บก็เหมือนกับผมก็พูดให้ฟังหลายครั้งแล้วหลองจาองนึงปฏิบัติทําอยู่เห็นเอรองเท่ามาตีหัวตัวเองแล้วก็ทำว่าทําไมหลวงพ่มันคิดเลยไอ้บ้ามันคิดนะจับอลองเท่ามาตีหัวตัว ปวท่วงเลยนะปวท่วงใครมันดับเบิล้ลหระดับเบิ้ลคิดดับเบิ้ลหลงจนเราหลงท่องมทตีตัวเมันทํามันทําถูกไหมนะถูกความถูกความคิดไหมอราอท่องมทตีหัวจะว้ให้มันคิดอะ่ะจะทำไงมันอยู่คิดไหมเราท่องมทตีหัวตัวเองนะไม่ไม่ถูกต้องอปวดท่วงอะไรไม่จะมาฆ่ามันทิ้งอ่ะ มันจะรูอะไรตัวไนเพราะจะได้ไงไม่ใช่ลองทักมวตีหัวตัวเงกูดว่ามันคิดไ ม, ไม่ใช่เพียงแต่หัวเรามันที่ปวดที่ไปจับหลองเท่าหมามันอะไรหนึ่งหลงสองคิดสามก็หลงไปจับหลองเท่าจนเอาหลองเท่ามาตีหัวก็หลงก็ไปหลงก็ไปดับเบิ้ลสองสามดับเบิ้น เข้าไปหลงทมชั่วอะไรนึกว่าตัวเองทำถูกไม่ใช่แต่ที่มันถูกไปเห็นมันหลงเห็นมันคิดง่ายๆ่ายเนี่ยคนก็ยากก็มันคิดมากคิดมากก็เครียดคิดมากคิดมาก็ง่วงพอเครียดเราก็ง่วงปวดหัวปวดหัวมีไหมเกาหัวเครียด สมท่าจะเป็นใขรอ่อนแอไปเรงเข้มแข็งในความอ่อนแอมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆปฏิบัติธรรมใ น, มนอ้วนอ่อนแอใครอ่อนแอเราอ่อนแอในความเข้มแข็งใครเข้มแข็งเราเข้มแข็งเข้มแข็งในความอ่อนแอ เวลามันหลงรู้ในภาวะที่มันหลงเวลามันทุกข์รู้ในภาวะที่มันทุกข์เวลามันโกรธรู้ภาวะที่มันโกรธมันก็เชื่อมแข็งเชื่อมแข็งเชื่อมแข็งเล่อยไปนี่คือหลักของการปฏิบัติธรรมไ้สอนไหนก็ได้แล้วไม่ต้องไปสอนใครแล้วทาอย่างนี้ทํานี่ดูนี่ก็พอแล้วไม่ต้อง เป็นพระโสรบันแล้วเป็นพระชกิตคามีเป็นพระนาคาเมีเป็นพหานแล้วจึงจะไปสอนกฎไม่ใช่หรือเดินเพื่อนกันนี่ยพุทธเจ้าจึงว่าการยาณมิตรทั้งทั้งหมดของผมอาจารย์ในเช่ใครเป็นโคเพียงเราเป็นัญาณมิตรเป็นเพื่อนการปฏิบัติร่วมกันแล้วเราก็อยู่กับหลวงพ่อเทียนเราก็อยู่กับเพื่อนภิกษุสงฆ์ เราก็เป็นกัลยาณมิตรกันเราก็ผิดเราก็ผิดเขาก็ทุกเราก็ทุกกินข้าดวาาด้วยกันวิทย์บาดด้วยกันอาบน้ํนาด้วยกันนี่แต่ก็ทาด้วยกันทั้งหมดนะทั้งหมดของพรมจรรย์เลยักันดียันมิตรเนี่ยนีเ่เรามาอยู่ด้วยกันอุ่นใจท้กทุกคนเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาว่าอุ่นใจ อนใจแห่เพื่อนของเราสุขขารเพศจะตายไปก็ตามแต่เราเคยอยู่ร่วมกันไปปฏิธรรมอุ่นใจอยู่มีร่องรอยหัวใจของเรามันเป็นเลนเลนมันก็ถ่ายกล้องเหมือนกับกล้องกล้องที่มีเลนที่มันถ่ายเอาไว้ อันนั้นก็เป็นวัตถุแต่ประเล็นในหัวใจของเราไม่ลืมไม่เลือนเลยผิดตอบทีเดียวนี่คือผิดถูกตอบทีเดียวนั่นคือถูกทุกไม่มอะไรที่จะไปตอบซ้ําแล้วซ้ำอีกคำว่าทุกคือคือทุกนั่นหละคำว่าหลงคือหลงนั่นหละคำว่าโกรธคือโกรธนั่นหละมันไม่มีพันใหม่แนวใหม่ลักษณะใหม่อันเดียวเท่าเทมันจึงไม่ยาก สักวันหนึ่งเราจะลัดเนี่ยวมือทันทีแช่นี้เหลือตัอ่ น, นี่ไม่ว่าแต่ว่าเราเเรื่องใหญ่กิเลสทั้งพันห้าตันหาทั้งร้อยแปดแปดมืนสี่พันเรื่องมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้เรื่องนี้คนอื่นไม่รู้หรอกแม้บางทียังมีคำพูดก่อนสมัยทุกวนันนี้ไม่มีมกักมีผลหรอก ตรงพูดนั้นก็ไำใหมเพราะนั้นเนี่คือปารายชัยพ่ายแพ้เป็นไปไม่ได้ที่จะให้เป็นคำพูดแบบนั้นแต่ถ้าเราเวลาหลงอ่ะมันรู้มีไหมถ้าเวลาหลงเวลาลู้มีิดเรามี ม, กมักไปผลเวลามันโกรธเวลามันโกรธกบไม่โกรธ ม, มีไหมละ่ะ ถ้หาหว่ามันโกรธไม่ควรไม่โกรธอยู่นั่นแหละคือจะเป็นมรรคเป็นผลเราเราเคยโกรธเรื่อยไปโกรธเรื่อยไปก็ไม่มีมรรคเป็นผลขาดจากมรรคจา ก, กผลจริงๆเราเอามรรคเอาผลที่เกิดจากเหล่านี้มันหลงลู่ขึ้นมาอยากหลงเป็นเหตุหลงเท่ๆทําไมลู่นี่เป็นผลก็ไปอย่างนี้ เดินเปลีนผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจันยนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีหลงก็ไม่มีลูลถ้าไม่มีเกิดก็ต้องมีไม่ก็ต้องไม่มีไม่เกิดถ้ามีแฉก็ต้องมีไม่แฉ่ถ้ามีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บถ้ามีา ต, มมามตายต้องมีไม่ตายก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวหลงตัวภาวะที่หลงที่รู้นี่ละไปถ้ามีภาวะที่หลงเป็นภาวะที่รู้นั่นแหละ ทางไปสู่ความไม่เกียไม่เก็บ ไ, ไม่ตายที่สุดเป็นเช่นนั้นก็สมกเวเจอลาวันนี้กับพระ